จะทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์หรือจะคอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์หลักการที่สามคือหลักคติพระโพธิสัตว์ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าคติพระโพธิสัตว์แต่ก่อนนี้ในพระพุทธศาสนาที่แท้นับถืออย่างไรและปัจจุบันนับถืออย่างไรเรานับถือถูกต้องหรือไม่ คติพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นโดยถือว่าพระพุทธเจ้านั้นจะสำเร็จโพธิญาณตรัสรู้ได้ก็เพราะทรงบำเพ็ญเพียรทำความดีอย่างยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบารมีซึ่งยากที่ใครจะทำอย่างพระองค์ได้บารมีคือคุณธรรมความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดยิ่งยวดหมายความว่าเหนือสามัญวิสัยของคนธรรมดา หมายความว่าจะบำเพ็ญคุณความดีข้อไหนก็ทำอย่างเต็มที่จนสุดวิสัยพระพุทธเจ้าทรงเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีมาด้วยความยากลำบากเราจึงมีเรื่องของพระโพธิสัตว์ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนโดยทรงบำเพ็ญเพียรทาความดีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งถ้าตกลงว่าจะทำความดีข้อไหนแล้ว ก็จะทำด้วยความเข้มแข็งเต็มที่ไม่มีการย่อท้อไม่มีการถดถอยแม้จะต้องสละชีวิตก็ตามทีและการทำความดีอย่างเสียสละเต็มที่นี้รวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจนถึงที่สุดแม้จะต้องสละชีวิตของตนก็ยอมได้พระโพธิสัตว์เป็นคติสำหรับสนับสนุนการระลึกถึงพุทธคุณการระลึกถึงพระพุทธคุณนั้น เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเราว่าเราก็เป็นมนุษย์อย่างพระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นมนุษย์แต่พระองค์มีความพินรพยายามบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อพัฒนาพระองค์เองจนกระทั่งตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องพัฒนาตนเองต้องฝึกฝนตนเองอย่างนั้นด้วย นี้เป็นการเตือนให้เราทั้งมีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้ทั้งสำนึกในหน้าที่ของตนที่จะต้องพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปและทั้งทําให้เกิดกําลังใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยพร้อมกันนั้นก็จะได้นำเอาวิธีปฏิบัติพัฒนาของพระองค์ที่ได้ทรงสอนไว้มาใช้ประโยชน์ ถ้าเราทําความดีไปแล้วเกิดความรู้สึกท้อแท้ว่าเราทําความดีถึงอย่างนี้ก็ยังไม่ได้รับผลที่ต้องการเราก็หันไปดูพระจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ทําความเพียรลำบากยากเย็นกว่าเราประสบอุปสรรคมากกว่าเราพระองค์ไม่เคยท้อถอยพระองค์ถูกกลั่นแกล้งมากมายพระองค์ก็ยังทาต่อไปในความดี เมื่อเรานึกถึงคติพระโพธิสัตว์ระลึกถึงจริยาวัดของพระองค์เราก็เกิดกำลังใจขึ้สู้ต่อไปทำความเพียรต่อไปไม่ถอยเพราะฉะนั้นกติโพธิสัตว์จึงหนุนการระลึกถึงพระพุทธคุณซึ่งทำให้เรามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ต้องพัฒนาระลึกถึงหน้าที่ของเราที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนและเกิดกำลังใจในการฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนั้น อย่างไรก็ตามต่อมาปรากฏว่าคติพระโพธิสัตว์ได้กลายไปเพี้ยนไปคนในยุคหลังต่อมาคงจะเห็นว่าเออพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเสสละมากท่านตั้งใจทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมหากรุณาท่านมาคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในเมื่อขณะนี้มีพระโพธิสัตว์คอยช่วยอยู่แล้วเราก็ไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ก็ล่ากัน ถึงตอนนี้คติพระโพธิสัตว์ก็เปลี่ยนไปแทนที่จะนึกถึงพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำความดีให้เกิดกำลังใจและต้องทำความดีด้วยการเสียสละจริงจังอย่างท่านก็กลายเป็นละทิหวังพึ่งว่าคราวนี้มีพระโพธิสัตว์ไว้คอยช่วยแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ดีกว่าจากคติที่เพี้ยนไปอย่างนี้ก็มีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา แล้วคนก็ไปขอความช่วยเหลือกันแทนที่จะบำเพ็ญความดีอย่างพระโพธิสัตว์กลับกลายเป็นขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์กลายเป็นคติคล้ายกับการนับถือเท พ, พเจ้าและไปขอความช่วยเหลือจากเท พ, พเจ้าโดยอ้อนวอนให้ท่านดลบรรดาลสิ่งที่ตนต้องการให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาสั่งสอนประชาชนให้พ้นออกมาจากการบวงสวงอ้อนวอนเท พ, พเจ้า อย่างที่ว่าดึงจากเทพสู่ธรรมะไปไปมามาชาวพุทธกลับไปนับถือศาสนาแห่งการอ้อนวอนตามเดิมวันนี้คิดว่าหลักการทั้งสามนี้น่าจะเป็นเครื่องสำรวจความเชื่อถือและข้อปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบันว่ายังคงอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือไม่